เรื่องรักๆใครๆเมื่อเรารักใครสักคนเราจะมองเห็นแต่อิฐก้อนสวยๆในกำแพงคู่ชีวิตของเราเพราะเราอยากเห็นแค่นั้น เราจึงเห็นแค่นั้นเราไม่ยอมรับความจริงต่อมาเมื่อเราไปหาทนายความเพื่อดำเนินเรื่องอย่ารางเราก็จะเห็นแต่อิกก้อนนาดเกลียดนาเกลีย ด, นยดในกำแพงคู่ชีวิตของเราเรามืดบอดต่อความดีใดๆทั้งสิ้นเราไม่ต้องการที่จะเห็นมันเราจึงไม่เห็นมันเป็นการไม่ยอมรับความจริงอีกครั้ง ทำไมความรู้สึกรักๆคล้ายๆมักจะเกิดขึ้นในในกลับที่มืดสลัวหรือระหว่างอาหารค่ำที่ได้นั่งอิงแอบกันกลางแสงเทียนหรือในค่ำคืนกลางแสงจันนั่นเป็นเพราะว่าในสถานการณ์และบรรยากาศเช่นนั้นเราจะมองไม่เห็นสิวบนใบหน้าของเธอหรือเห็นฟันปลอมของเขาคนนั้นท่ามกลางความสลัวของแสงเทียน จินตนาการของเราจะไร้ขอบเขตจนฝันเห็นว่าหญิงที่นั่งตรงข้ามนั้นงามราวกับนางแบบแนวหน้าหรือหนุ่มคนนี้รูปงามราวกับดาราภาพยนตร์คนเรารักที่จะเพอ้อฝันและเราก็มักจะเพอ้อฝันถึงความรักอย่างน้อยเราก็ควรรู้ตัวนะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ พระไม่ใช่ผู้ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องรักๆใครๆกลางแสงเทียนแต่เป็นผู้ที่จะส่องแสงสว่างแห่งความจริงให้ปรากฏถ้าโยมต้องการที่จะฝันโยมก็ยังไม่ต้องเข้าวัดหรอก ในปีแรกที่อาตมาบวชเป็นพระที่ภาคอีสานของไทยอาตมากำลันงนั่งอยู่ในตอนหลังของรถคันหนึ่งกับพระฝรั่งอีกสององค์หลวงพ่อชาท่านอาจารย์ของอาตมานั่งที่เบาะหน้าจู่ๆหลวงพ่อก็หันหน้ามาข้างหลังและจ้องดูพระหนุ่มชาวอเมริกันซึ่งเพิ่งบวชใหม่ๆที่นั่งอยู่ข้างอาตมาแล้วท่านก็พูดอะไรบางอย่างเป็นภาษาไทย พระฝรั่งองค์ที่สามนั่งอยู่ในรถพูดภาษาไทยได้คล่องท่านยึงแปลให้เราฟังหลวงพ่อบอกว่าคุณกำลังคิดถึงแฟนของคุณที่อยู่ที่ l ออนู่นพระบทใหม่ชาวอเมริกันถึงกับอ้าปากค้างด้วยความงงงนันหลวงพ่อรู้ว่าระจิตของท่านรู้ว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่แถมอย่างแม่นยำเสียด้วยหลวงพอยิ้ม และพูดต่อว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้จัดการได้ให้เขียนจดหมายไปหาเธอขอให้เธอส่งของส่วนตัวบางอย่างมาให้คุณเอาสิ่งที่ใกล้ชิดกับตัวเธอมากที่สุดที่คุณจะสามารถเอาออกมาชื่นชมได้เมื่อคุณคิดถึงเธอเพื่อจะเตือนคุณให้ระลึกถึงเธอโอ้พระเราทำได้หรือครับ หลวงพ่อตอบว่าทำได้เห็นทีพระท่านก็เข้าอกเข้าใจเรื่องรักๆคล้ายๆกระมังสิ่งที่หลวงพ่อบอกกล่าวต่อไปนั้นต้องใช้เวลาอยู่หลายนาทีกว่าจะแปลออกมาได้ล้านของเราถึงกับต้องกลั้นหัวเราะให้อยู่และรวบรวมสมาธิเสียก่อน หลวงพ่อบอกว่าท่านพยายามที่จะเอ่ยคําออกมาปาดน้ำตาที่เล็ดจากการวะระทิง้งหลวงพ่อบอกว่าคุณควรจะขอให้เธอส่งขี้ใส่ขวดมาให้และเมื่อไรที่คุณคิดถึงเธอ คุณจะได้หยิบขวดที่ของเธอออกมาสตดดมนี่ไงล่ะของเฉพาะตัวของเธอเมื่อเราเปล่งวาจาว่าเรารักคู่ชีวิตของเราเราม่ได้หมายความว่า เรารักทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเขาหรอกรึกคำแนะนำอย่างเดียวกันนี้สามารถใช้ได้กับแม่ชีที่กำลังทวินหาแฟนหนุ่มของเธออย่างที่อาตมาบอกแล้วถ้าโยมยังพอใจจะเพ้อฝันถึงเรื่องรักๆใครๆโยมก็อยู่ห่างๆวัดของเราไปก่อนเถอะ